ไอหนกช่วยกันหาบไอยากช่วยกันดึงอย่างนี้เลยว่ากันละยานามิตรกัละยานามิตรนี้ไม่ใช่จะอาศัยกันเป็นวันวันพระเจ้าสนเสริญว่ากัละยานามิตรนี้ถึงรักถึงผลได้แล้ว อ, อุ่นใจคิดเห็นพระอริยบุคคล พระองค์นั่นพระอง์นี้โมกลานะอยู่ที่นั่นแม่พระเจ้าอุ่นใจสารีบุตรอยู่ตรนั้นพระเจ้าอุ่นใจถ้าสารีบุตรอยูณที่ใดศาสนาพุทธศาสนิกชนบริษัท ต, ตั้งสี่ก็มั่นคงมกลานะอยู่ที่ใดบริษัท ต, ตั้งสี่ก็มัน่นคง เองุ่นใจวางใจนี่เระะว่างการ layanamit เราแสดงความเป็นกนระะนาร l a y a n a m กันให้มากที่สุดเว้นจากการทะเลวิาวาทเบ้นจากการขัดเครืองอะไรทั้งสิน้นวางไปด้วยกันไปเดินได้ไปก็รอคนที่ชาสักหน่อยเอากันบ้างแบ่งบันกันบ้าง เราจึงมีประโยชน์ต่อตัวเองบ้างต่อโลกบ้างต่อธรรมบ้างเรียกว่าอัตตาเทปตาญติตนคือเรานี้มีอะไรพอที่จะช่วยกันได้บ้างป่าลบตนเราเห็นคนตกน้ำเรามีป่าลบตนเราว่ายน้ำเป็นไหม มีพลังพอไหมถ้ามีความเพิ่มไปจนลงไปเอากันขึ้นมาอัตตาที่พยยาโตอกาสทิพตายะเพื่อโลกเพื่อความผาชกร่มเย็นเพื่อโลกเพื่อมนุษย์ต้ององงเพื่อให้เกิดทำมาทิพตายะเพื่อความเป็นธรรมนี่ยเราไม่ใช่เล็กน้อยเสร็จแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าคิดอย่างนี้ ได้คิดเห็นใจส่วนตัวอะไรต่า ง, างๆครับเชฟมีเบียนตนเองมีเบียนคนอื่นได้เราวางอยู่ที่นี่มีแต่ผู้คงเกิดเดียนไม่ใช่โง่เงาถ้าคนโง่คงไม่มาที่นี่แต่คนนี่มีความคิดอ่านอะไรเป็นไรมาพิโชโดโธเสียสละ แต่นัาบวชเป็นพระเป็นชีก็หนีจากวัดวาอารามอาวาสของตนมาเนีย่ยจงมาทิงลูกถึงหลานถึ้งบ้านทิงช่องมาใครใครก็มีงานเหมือนกันมีลูกมีหลานมากันหมดมีญาติพี่น้องมีพ่อมแม่เหมือนกันดังชีวิเครจบจากการศึกษาเช่นไม่ชีน้อยคเนี้จบจากกุลามาก็มาบวช ไม่ลูกสาวบวชก็บวชตาม <c oughs> มาทั้งแม่ทั้งลูกอาจจะโนดหองเจ้าว่าที่นี่ก็จบจากธรรมจาระมาก็าบวชไม่รับเป็นยาเลยจนเขาเอาปัญญามาส่งที่บ้านหายชีวิตที่อยู่ที่นี่จบจากการศึกษาญาตงสิ้นก็เป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลไหนมาบวชแล้วขี่หน่อยก็จบมายก็ไม่ ให้เพียรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมาแล้วมีลูกไผ่ลูกไขยหลานเขยมีเหลนแล้วลูกหลานเหลินเสร็จแล้วจบแล้วอดเยี่ยมมากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นล่มโพลร้องไส้หมดแล้วเราก็มีฝีมือแล้วยังอยู่เรื่องนี้เราส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่โ ง, ง่งาศึกษาธรรมะมีหลักฐานนะต้องได้หลักฐาน ถ้าไม่ได้หลักฐานเนี่ยเราจะไปเชื่อ่ะรเนี่ยหลักฐานปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นทำผู้นึ้เห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ไว้ที่นี่คงไม่เหมาะน่าจะไวที่ตรงน้นเห้ยผู้คนได้ขึ้นมาอ่านมาดูมาที่ไม่มีใครอยากมาใช่ไหมต้องฉลาดสักหน่อย <laughs> จัดลายการนักจัดลายการนะ มีหลักฐานนะการศึกษานะถ้านายความที่ดีที่จะช่วยแก่ต่างให้โจดให้จำเลยต้องศึกษาหลักฐานไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้ความรู้ดีขนาดไหนถ้าไม่ได้หลักฐานก็ทำไม่สำเร็จศึกษาธรรมะต้องมีหลักฐานไม่ใช่เลื่อนลอยสุมสีสมห์มี กายมีใจมีสติกายเป็นหลักฐานหนึ่งใจก็เป็นหลักฐานหนึ่งมีปัญหาไหมกายเนี่ยมีปัญหาไหมจิตเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงไหนเราจะแค่ไหมจะแค่ยังไงเหมือนลวงตาไปอยู่บ้านถ้ามาไปหวานสมัยแรกก็ไปเห็นปัญหาเด็กร้อยเป็นไข้ามาเลียตายต่อหน้าต่อตาเรา เราดนจากวัดป่าสุกุโตไปโคกโขอท้องเห็นชาวบ้านอุ้มลูกลองให้ม้จากในป่าแล้วว่าเออลูกขมตายแล้วลูกขมตายแล้วผูว้เช้าก็ตัวอ่นอนๆหน่อยๆเลยพาไปไล่พอไปไล่ไข่ขึ้นแต๊บเดียวก็ตายเลยลองให้ทั้งผัวทั้งเมียมาแล้วก็เส้นปัญหาเออไปไประชุมชาวบา้านว่า อยากให้พระเป็นยังไงอยากให้วัดเป็นยังไงเอาประชา บ, บ้านมาประชุมกันเรารู้แต่ว่าเราไม่ใช่แก้เองต้องให้ร่วมกันคิดต้มกันนานนี่หลักฐานใจเราจะแค่ไหมแช่ บ, บ้านไม่รู้มีปัญหาอะไรนะเออไม่ค่อยคิดกันคิดไม่เป็นแล้วก็ ชนใหเขาคิดโบราณท่านว่าออยังไงเตาวอยางเอาไฟโจดก่นแม่นว่าเตาว้ามอมนเอาหอกลยเท่างโบรานท่านสอนใครเป็นคนโบราณหกเจ็ดสิบปีอยู่เนี่ยมีเหมือนกันได้ยินก่อนนี่ไหมพ่อแม่สอนลูกสอนหลานเต่าวอยังเอาไฟโจดก่นเวลาพ่อแม่ไปซ่อนไปหาปลามาได้เตามาให้ลูกเล่น เด็กน้อยเขาบอกว่ามันไม่เดินเนี่ยมันโหดตัวหวดขาทาไมเอาไม้เจี๊ยกก้นมันพอาเจ ย, ยกมันก็เดินเต่า <c oughs> เดินเด็กน้อยก็หัวล้อเต่าโบรางเอาไม้จิกลนเต่าปอมนต์เอาหอกลายแทงในโบาณนีว่ า, ว า, าไม่ใช่เรื่องเต่าเสียแล้วเป็นเรื่องของปรัชนาชีวิตสังคมเต่ั้นเอาชิ้นออกแล้วก็สอดเข้าไปอย่างที่ เดี๋ยวนี้มีโครคไข้ไข้เจ็บอะไรมีไข้มาเรียาตายกันเยอะ ห, หลวงตา ก, ก็เห็นเด็กน้อยตายมาจากไร่เมืหวานเนี่ยมันชื่อว่ามีปัญหาไหมเขาว่ามีแล้วจะแก้ปัญหาไหมคิดอยากแ ก, แก้จะแก้อย่างไรโผลาชิ่นไปออกรู้จะอย่างไรไปข อ, อยาแันชิดามาไวหาหมอมาเรีย หน่ยมาเรียมาก็ขออยาขี ด, ด, ดทีๆเต็มบ้านสมัยก่อนใช่ไหมในกติขาวโผลไปทั้งหลังแล้วในปะนะ่าขี ด, ด, ดทีๆแล้วก็การชิดะมาไว้ากินต้องการไขมาเรียหลังคนก็งู้ไปอีกกินเล่าเพื่อปัม่มไขมาเรียไม่กินเล่าไมาอยาก <laughs> แล้วก็เราจะแค่ไหมแค่อย่างไงชิดแล้ว ก็เป็นเจดจานงไว้ไปพบมาเรียมาเรียก็หงำกันลงงุงเขาตายกลางทางก็เป็นเวลาใก่้แล้วมาเรียบางอย่างมันรุนแรงยกอุ่นตอนเจ้าตอนสายมาก่อนล้านตายไปเลยเคยไปเผาศกลูกเสาวของโยมคนหนึ่งอยู่บ้านเหลี่ยงเหวสมัยก่อนเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่นั่นตายต่างเงินชั่วโมงเดียวลูกสาวสองคน ไม่มีใครค่อยกันเท่าไรเราไปนอนอยู่เขาไปพาเขาหามศพไปเผากลับมาแล้วเอาคนไว้เขาอย่างนีสลดใจตอนนี้ก่อนอเนาะกลอีกันนะจะแคบปัญหาไงคิดหรอตอนนั้นเอาเด็กมาไว้วัดดีไหมเราคิดไม่ได้เลยโอ้ยจะเอามาไหว้วัดจังไหนเอาเด็กมาให้หลวงพ่อบังก็เป็นบาปทอนแล้ว กลบาปหมาขี้หาเยี่ยวเสบวสเสว า, าเนี่ยเอาเอาเด็กไปตาในป่ามันไม่บาปหรือเอาเด็กมาไปในวัดเนี่ยมันจะดีกว่าเอาเด็กไปในปา่าถ้าเป็นบาปเนี่ยอย่าพันเข้ามาวัดดิไว้อยู่ในป่าหมดเลย <c oughs> เถียงเกิดอนะไรขึนมาเอามือเนี่ยหลวงตาจะเลี้ยงจะดูให้ไอยมเอาเข้ามาส่งตอนเช้า เผื่อไว้ตอนเพลนด้วยตอนเที่ยงด้วยตอนเย็นมาลบเอาตอนไม่ทาําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอามาสหาหร่าก็ไม่มีปะมาอยู่นอนนะแล้วก็ดูแลลูกสานวเขาเด็กก็ปลอดภัยกันหว่าเนี่ยละมวนในเป็นเด็กตัวน้อยนั่งอยู่นั้นเรื่องสาวหลาของทายกใหญ่เด็กตัวน้อยแต่กว่ามานุ่งแต่กางเกงนะไม่ใช่นุ่งผ้าทุ่งเลยเดี๋ยวนี้มันก็ไลยลูกสองคนแล้ว แล้ว ก, ก็เราเลี่ยงมันมาหลายคนรุ่นแรกเนี่ยมันเอาลูกวางเข้าลงศูนเด็กแล้วจนเกิดสูนเด็กเท่าทุกวัน น, <c oughs> นันก็ดีนะ <c oughs> ปัญหาหลายอย่างมันมีหลักฐานเนี่ยเราจะทำอะไรชีวิตเรายิ่งมีหลักฐานมาเห็นกาเห็นจิตใจมันปัญหาเนี่ยปฏิจจสมุปบาท เพราะอะไรบัดยังเกิดเป็นพวกเป็นชาติได้หลักเตาถานเห็นลูกเห็นน้าขึ้นมาโอ้ได้หลักเตาถานเราฟ้องลอยที่เนี่ยฟ้องลูกพ้องน้ำมันอะไรปัญหาเกิดที่ตรงไหนการที่จะหมดปมัญหามันหมดไปได้ยังไงเหมือนพระเจ้าโดยทฤษฎีตัดจะรู้เห็นทุกเห็นทุก ที่ทำให้เกิดทุกข์มาอยู่ตรงไหนจะทํำยังไงต่อไปเฉดเลยฟ้องเลยทีเดียวเอาให้สิ้นซากก็เลยเหลือศูนความทุกข์เหลือศูนย์ความโกรธความโลภความหลงเหลือศูย์เลยไม่มีค่าทีเดียวเลยเอา้ามันก็ไปมันก็ไปมันก็หลดุลดปล่อยหลุดปล่อย มีสติมันก็ปราบความหลงมีสติมันก็ละความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติมันก็เกิดมีสินขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาอ้ามันมีอยู่นี่ไม่ต้องทำลายแล้วไม่ต้องเปิดตำราอ่านมันมีอยู่ที่เราทุกคนมีธรรมชาติมีอาการพรามี ตัวมหลงจึงเป็นอวิชชาเมื่อมีวิชามีสังขารมีนามรูปเกิดไปเรื่อยๆเพราะมีความรู้ตัวมันก็ดับมาดับมาแไม่ต้องไปแฉมันโกรธอยู่ที่ใจไม่แฉที่ใจเหตุเกิดอยู่ที่ใดแก้ที่นั้นมันหลงอยู่ณที่ใดแก้ที่นั้นสนุกสนุ้ยสนุ ก, นกเห็นของกิ่งเห็นของเท็จที่มีอยู่ในกายในใจผลที่ส่วนมันก็สั่นระพับ มันคืออะไรมันก็คือรูปคือนามรูปดามมันมีอาการของธรรมชาติของรูปน้ำก็มีอาการของนมเแต่รูปมันมีสองต่อเห็นลูปเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิต เห็นกายในการกายสองต่อกายที่เป็นธรรมชาติกายที่เป็นอาการไม่เป็นธรรมชาติเป็นพวงแพลเป็นมหาผู้ต่รูปเป็นรูปอ๋ัยให้ทําความดีให้ละความชั่วแต่กายนี้มันเกิดอันหนึ่งขึ้นมาหรือว่านามบรูปมันเป็นกายที่ทําความชั่วนามก็ทําความชั่วได้สําเร็จเราจึงเห็นธรรมชาติที่นาการโอมันอยู่ตรงนี้ เห็นรูปเห็นน้มเป็นนาการของรูปเป็นอาการของน้มเห็นธรรมชาติของรูปเป็นธรรมชาติของน้มความเป็นจริงหมดค่าเลยแต่ก่อนไม่มีรสชาติความสุขก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติความพอใจความไม่พอใจมีรสชาติอรับใช้รสชาติอันนี้เสพติดรสชาติไปความทุกข์ก็ติดเหมือนกันนะความสุขก็ติดเหมือนกันนะ โอ้ใจในความสุขโอ้ใจในความทุกข์แล้วมันก็จริงไหมมันเป็นสุขจริงจริงหรือมันเป็นทุกข์จริงๆงหรือแล้วก็พัวน้ําเหลวกันดูความสุขมันโลกดูความทุกข์มันโลดมากแล้วเงิือนเรามาถึงอายุปูณนี้มีอายุกันเนี่ยโอ้ย่อโจมทั้งหลอยหลงต่อทั้งหลอยเอานุ่มแนชีน้อยทั้งหลายเคยเป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนผู้มีอายุเคยมีอะไรต่างๆมาถึงมาเห็นว่าตรงนี้มันอะไรไม่จริงจังมาสุกกิงอยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่ใดมันก็เหมือนช่ตัวใช่ตนเห็นตามความเป็นจริงของมันมันก็สูบลงไงได้หลักฐานมาเป็นเพียงอาการเป็นธรรมชาติ ของรูปของนามที่มันเกิดสองชั้นเป็นกายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็ น, จ, นจิตในจิตมันเป็นนามารูปมันเกิดจากการปุงแตง่งเกิดจากความไม่รู้มันมีสติถ้ามีสติมันก็ไม่ปุงไม่แตง่งมันก็จบมันก็จบมันก็สนุกความไม่มีไม่เป็นอะไรมันมีผาล ก, กับความมีความเป็นอะไร มันก็รู้สึกเบาเนละกายละหูตาเบากายจิตตลอหูตาเบาจิตอย่างเนี้ยมันมีหลักฐานแบบเนี้ยไม่ใช่ไปได้อยู่ที่ไหนปฏิบัติตามจะเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่ตรงโน้นสวนชั้นฟ้าต้องเข้าจานสมาบัติเข้าไปไม่กินข้าวไม่กินน้ำเวลาไปถึง พระพุทธเจ้าไระึงสวรรค์นิพพานอาศัยให้คนเดินนำะมาบอกไปเข้าสมาบัิเข้าสมาธินั่งไม่จินข้าวกินน้ำบอกเข้าไปส่งอะไรก็จินอะไรนิดหน่อยให้คนทำให้เราอยากได้บุญกับท่านมันไม่ใช่อย่างนั้นให้เป็นของทุกคนอาศัยคนเดินมาได้ เราหลงเราก็หลงเองเราลูกก็ลูกเองอะไรเป็นปัจจัตตังของใครของมันความหลงต่างเวละการความลูกก็ต่างเวละการนั้นคนละอย่างแต่ว่าความหลงอยู่กับใครก็เหมือนความหลงอยู่กับเราอันเดียวกันความหลงความลูกอยู่กับผู้ใดกับความลูกอยู่กับตัวเราก็อันเดียวกันความรู้สึกตัว อยู่กับพระเจ้าสองพันห้าร้หร้อยปีมาเนี่ยมันอันเดียวกันกับความรู้สึกตัวอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ของจริงต้งเป็นอย่างเดียวกันความโกรธอยู่กับใครความโกรธอยู่กับเราก็อันเดียวกันความทุกข์ความโศกความแล้วความชังอยู่กับใครที่ใดอันเดียวกันนั่งงดไม่มีชาติไม่มีภาสามีลทัทธิไม่มีเพศไม่มีเวร มันก็เป็นสิทธิของใครที่จะต้องมาลุล่วงนี้เหมือนกันหมดเเวลาเราหลงเราก็มีสิทธิไม่หลงได้เวลาเรากโกรธเราไม่สธิไม่โกรธได้เวลาเราทุกข์มีสิทธิไม่ทุกข์ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้หรือจะเปลี่ยนไหมาถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็รับกรรมรับเวรไป <c oughs> เป็นพพเป็นชาติไปเคยเจเจ็บตายไป แน่นอนที่สุดคือมาไม่เที่ยงแน่นอนที่สุดคือไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มันเกิดอาการขึ้นมานั้นนอกจากอาการแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บชนหนังเกียนตายหรือตายไปก็มีนับวันหลงตาก็ไปดูพระมรณะภาพที่ตายไปเป็พระหน่โหน่เกิดเมื่อวันที่หลวงพ่อบวชพอดี สี่สกว่าปีมานี่เองเป็นพระหนุ่มหนๆเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเต็มวัดอยู่แต่เนี่ยวันนี้มีนักเรียนนี่สามร้หกสิบคนเมื่อวันเต็มวัดไปหมดแล้วทั้งพระอานาภาพทั้งอบรมนักเรียนก็เลยมันไม่เลืกแต่ความแกลความเจ็บควาตายในคนอบรมก็มีความเจียมีความเจ็บมีความตาย ในคนแก่ก็มีความแก่ความเจยบความตายในใครก็มีความแก่ความเจยบความตายในพระในยมก็มีความแก่ความเจยบความตายเหมือนกันหมดอันนี้คือของกิ่งที่มันตัดฉินหรือว่าตัดถินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดได้มีการเกิดก็มีการตายมีเจ็เจ็บตายมาพร้อมกันดันเลย จะเป็นราชาฮะวอดีที่ไหนก็เดินเข้าไปสู่ความตายมากันหมดนี่คือของที่มันเป็นธวารชาติของเขาถ้าเรามาเห็นมาลู่เรื่องนี้มันก็ไม่ไ ม, ไมีใครเกิดใครเจ็บใครเจ็บ ใ, ใ, ใครตา ย, ตายเห็นรูปเห็นนามตามคำเป็นจริงเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยสนุกดีว่างจากความมีความเป็นเชี่ยแล้วเต็มไปด้วยความไม่มีไม่เป็น ที่ว่าว่างก็ได้ที่ว่าเต็มก็ได้เต็มไปดูก็ไม่มีไม่เป็นว่างไปเดียวกั็มีการเปลนแล้วก็เป็นอิสระเพราะอะไรเพราะมีสติสัมชัญญาที่แรกก็แยกออกไปก่อนหัดแยกแยกตั้งแต่เห็นกับเป็นเนี่ยเห็นกาย กายมันแสดงอะไรแสดงหลักฐานมันสุขมันทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์กำลังจะแยกไปแล้วแยกเส้นทางเป็นคนเราพบเราชาติไปแล้วถ้าเป็นก็เป็นพบเป็นชาติไปจนจบถ้าเห็นก็ไปคนละทางไม่เป็นแล้วเห็นความสุขเห็นไม่ใช่เป็นผู้สุขอุ้ยเจ้าสอนอย่างนี้เรียกว่าเห็นเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรม ถจะเห็นสีเห็นเสียงเห็นแสงเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่ใช่ที่เป็นรูปเห็นเทวดาที่เป็นตัวแดงๆเห็นพระอินทร์เป็นตัวเขียวๆมันไม่ใช่เห็นเปตเป็นตัวผ่องๆปอกท้องเท่าภูเขาปอกเท่าโลเข็มเห็นสุลกายเป็นจัดเน่ยองปฏิจจสมบัติคำด ำ, ดำ ร, รมขาว ถ้าคำดำก็เป็นไปในภพภูมิชั้นต่ำํำถ้าคำขาวก็เป็นภพภูมิชั้นสูงเป็นมนุษย์รู้จักตระบนใิทานรักษาศิ้นปฏิบัตธิธรรมนีเรามาเป็นมนุษย์แล้วนั่งอยู่นี้มีพระสงฆ์ามาสอนมาพูดมาสอนอยู่นี้แล้วก็ได้ยินกันทุกคนเลยหเห็นกันทุกคนภาษาเดียวกันต่างออกใช่คนละภาษา แต่ความรู้สึกตัวเว่าความรู้สึกตัวอาษา ก, กลางๆภาษาอีสานบ้านลรากว่าหองเมียบอของเมียบอของเมียแล้วเหมือนกับเราปกลูกให้มันตื่นขึ้นมามื่อคืนเมียเราไปเลยของเมียเราของเมีย e uh แล้วเออแล้วมันหองเมียมันก็ช่วยตัวบรรดาเหมือนไปไม่บ้านรีบไปปกลูกขึ้นมาลูกลูกขึ้นไปไม่บ้านไปไม่บ้านนะ ก็ตื่นขึ้นมาช่วยตัวมันได้ถ้าพ่อแม่ไม่ผูกให้ถึงตายกันหมดล่ะตายกันเลยไฟไม่บ้านําไม่รู้ละอันนี้ว่าตื่นแบบภาษาโลกโลกก็คนไม่รู้จะตื่นไม่แต่ตื่นอยู่ก็มันก็หลับได้เช่นคนเมาคนโกรธนะหลงในความโกรก็มืดหลงในความทุกข์ก็มืดเขาไปยังไม่ตื่น มึ่วเมียเราไปหเมียแล้ ว, ลวเราก็มาปลูกตัวอย่างให้รู้จักตัวรู้จักตัวหรือยังรู้จักตัวแล้วพรอมันทุกเห็นมันทุกพอมันหลงเห็นมันหลงด้วยตื่นแล้วมาดูโลกด้ายความหลงย้ายความรู้ผ่านโอกาสไปให้สัมผัสดูภาษาบาลีเรียกว่าสติภาษาอังกฤษหรื อ, รอว่าอแว r e นะ Aware เราตาเคยไปสอนพลัง ภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้ถามไม่คีนน้อยเขาพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนเนยเรียกว่าอะไรภาษาเขียนเรียกว่าอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เรามาลู่แต่ภาษาไทยอ่อนๆลู่ทั้งหมดนี่ก็รู้สึกเนี่วยเรียกว่าภาษากลางหๆเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนไหวภาษากลาง ภาษาลาวรือว่าติงนิง่งหลวงพ่อเทียนสอนที่ไหนติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งภาษาลาวภาษาเมืองลาวเอา้ามาเปลี่ยนอกตอนไหวนิง่งไหวนิงวน่งเดี๋ยนี่ตัดออกติงนิง่งไหวนิง่งไม่มีมีแต่รู้สึกรู้สึกก็ไปละแต่ก่อนหลงพ่อเทีอนก็สอนไหวนิง่ง ไหนิ่งดิงนิ่งนงางลาวเอามาจากนงางลาวมาโชว์งไทยก่อนยุบหนอพองหนอ่อก็ที่ประทานแบบนี้ต่อไปก็ไปอยู่วมืองลาว็เจริญอยู่วงเรงลาวแล้วกลับมาเมืองไทยยุบหนอพองหนอมาทีหลังาภาษานั่นหรือว่าภาษาที่ใช่กัน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 เลียว่าศึกษาถ้ายังเป็นอยู่ยังไม่ได้ศึกษาแล้วยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้สิกขาสิกขาได้ทำเป็นคือเรื่องชีวิตสอภิกษุนักบวทั้งหลายสิกขาได้ทำเป็นคืนเรื่องชีวิตไหนเราเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งอันนี้ยเนี่ยวันรู้ตัวมีชีวิตอต่เนี่ยพมจันทร์ไม่ใช่เกิดจากทอง ม, มากพมจันทร์เกิดจากการมีสติศึกษา เห็นเนี่ยเราไม่ชีวิตการเห็นไม่เป็นได้ชีวิตแห่งเป็นผู้ดูขึ้นมาอนดูเนี่ยไม่เป็นเนี่ยมันบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ขึ้นมาถ้าเป็นเราสกปกเงื่อนเปื้เลยเถอะถ้าเห็นหลงส่อขึ้นมาเป็นสุขสกปกเป็นทุกข์สกปกถ้าเห็นมันสุขเหมันทุกข์ส่อเนี่ยมันพรหมจรรย์มันอยู่ตรงไหนอะไรคนผมผมพ่อสีต่างๆ มันบริสุทธิ์ทุกคนเป็นมรมจันย์ได้นุ่งผ้าสีใดก็เป็นผ้าได้นี่เราก็มีปัญญาแบบนี้รู้ได้ทุกคนไม่ใช่ปิดบังอะไรเละปัจจตังรู้ทันทีรู้ได้ทันทีมีสิทธิเท่าเทียมกันมีปัญญาเท่าเทียมกันปัญญาเนี่ยไม่ใช่สมองไม่ใช่อีเดียไม่ใช่ไอิคิวมันเป็นปัญญาแห่งหน่อโพธะ โธ่ทัธิรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยต้องจดเจีนบ้างอย่าไปให้ปัญหามันก็อยู่กับเรานี่แหละความหลงก็อยู่กับเราความรู้อยู่กับเราพอเรามันหลงก็ไล่ความรู้ขึ้นมาถ้าเวลามันหลงไม่มีความรู้ความหลงก็ปล่อยอีกละใหญ่โตขึ้นมามาถ้าเวลามันหลงรู้สึกตัวเน่ย กคนก็ห่อเหี่ยวลงห่อเหี่ยวลงเหมือนไม่ให้อาหารมันตัดอาหารมันไม่ให้มันมีอาหารพราหลงใจรู้สุดตัวภนะูวมิกำเนิดภูมิกำเนดของความหลงภูมิกำเนอดของคนคนต้องภูมิกำเนิดเรว่าพระพุทธเจ้าฆ่าคนนะฮะฆาคนเนี่ยพระเจ้าข้าคนข่าความเป็นคน ความเป็นคนเนี้ยมันโผลเปรุกขก็เอาทุกข์ก็เอาโกรธโลภหลงเอาหมดเรียกว่าคนโนเปกันด้วเจ้าข้าตัวเนี้ยภูมิแห่งควาเป็นคนเนี้ยมันไปสวรรค์ น, นิพพานไม่ได้มันจะไปเป็นเปรเป็นชั่วกายเป็นสัตว์ลกเป็นเนริชานคุ้กับเมื่อของความเป็นคนคือรู้จักตัวให้ชีวิตใหม่ขึ้นมาให้มีความรู้จักตัวหน่อย ก็เมื่อกิดามเนคนก็น้อยลงก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาใจสูงขึ้นมาเห็นเหรเห็นว่าใจสูงกันเห็นเนี่ยการเป็นว่าใจต่ําถ้าสูงขึ้นมาเห็นมันจกขึ้นมาทุกเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระได้ได้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนเป็นพระไม่ได้เลยเราจึงมาดูเนี่ยพระภูมินี่็นอยู่กับเราเนี่ยว่าเทียนมักจ้องเราเป็นเทวดาได้ไหม เป็นได้เป็นพระอินทร์พระมได้ไหมเป็นได้เป็นพระได้ไหมเป็นได้ต้องตอบอย่างนั้นนี่มันอยู่กับความรู้สึกของเราที่มันไม่เปิดอเพ่อนเป็นพรมาจารย์เป็นพระประเสริฐเป็นมนุษย์สงสุดใจมันสงอาจารย์พูดท่าตว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่เววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคน ยมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์ซะเขาพูดถูกคิดถูกทําถูกทุกเวลาเป็นปีดาขึ้นวันสุสันตจิต่อไปว่าไางเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจมันสงูนสงเห็นมันทุกข์ใจสงูงไป็มาุษยแล้วเห็นมันทุกข์ใจสงูงขึ้นมาโบราณทา่านว่า ไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็ชนช่างขี่คนเมืองล่างคือนใจเหมัอนต่ำช่างคืออะไรความโกรธก็ขี่คอเอาความหลงก็ขี่คอเอาความทุกข์ก็ขี่คอเอาคือตั้งหนาลักขขี่คอเอาอมรับใช้มันได้ช่างขี่คนไปมองบนเห็นคนขี่ช่างขี่คอมันเลยจงขี่คอฉ่ำถือคอกันขอ ข, อขีอข ข่ามสงสรรยานกวงใจสว่างสุนิพานไปเลยขี่ขาเรียกว่าขี่คอมันช่างนะถ้าใจตามามันก็ขี่คอเรอกมันก็ว่าโบราณท่านสอนว่ากากินสั่างกากินสั่างอย่างหนึ่งอุท้าหอนกาหลงหลอนก็เองว่าเสียบโรยแฉบโรยเหลือหล่น การกินส้างตัวหลวงว่าต้องห่วงช่วงจบปิ่นเอียมหน่อยที่ตายจ่อยกลางทะเลการกินส้างไหนถึงอะไรเธอมีทรัพย์สมบัติมากมายสนุกอยู่สนุกเย็นตูกก็มีหลานก็มีเมียก็มีผัวก็มีทรัพย์ก็มีพี่น้องก็มีทรัพย์สินถึงกันกินกี่ชาติกี่ชาติไปหมดทรัพย์สมบัติของเรานี่ กินการจินจ้างตัวหลวงมตงงุตงองนกจิกแสวเหลวทักท่วงก่าเงยไว้ยฟังนกจิบคือพวกเราชวนมาบวชมาปฏิบัติธรรมอย่าไปกินย่หันสร้างมันมันเบิ ด, ดายการจินจ้างนกจิบแสวเหลวทักท่วงกาเงยไว้ยับฟังโอ้ยเราไม่เหมือนกับพ่อของรัฐบาล ตระบาลเป็นลูกชายคนเดียวหนีไปบวชบินตบาลหน้าบา้านตัวเองไม่มีใครรู้มีแต่คนใช่แต่บ้านเอาขนมไปทิ้งรัฐบาลก็เปิดฟ้าบารเราน้องหญิงจะเอาขนมไปไหนจะเอาขนมไปทิ้งขนมมันปวดเราเอามาเทเสบ่าหลวงพี่นี่ยื่นบาทไปหญิงสาวก็ลังก็เออไม่รู้จะไง ว่าจะไปทิ้งอยู่มันบวชแล้ว้ไม่เอามาเทศสบะหลวงพี่เนียรับบาทหญิงสากคนนึงก็เห็นมือรัฐบาลจําได้ว่าโอ้รัฐบาลก็เข้าไปในบ้านก็บอกหลวงพี่รัฐบาลมาเบียนบาทหนูขงนงที่ไปทิ้งเทศบาะให้เสียใจเลยพะออใจเปียเรียกลูกชายกันมาไปรับลูกชายมาอยู่เมืองดีลีทุกวันเนี่ยหลานตาเคยไปดู มือหลวงของประเทศเดียทุกวันเนี่ยมาถึงบ้านแล้วเอาทรัพย์สมบัติมากองไว้สามกล่องกองของพ่อของแม่กองของรัฐบาลใหญ่กว่าของพ่อแม่สองเท่าอันี้กลองของพ่อนี่กล่องของแม่นี่กองของลูกเราไมไปยินขนมบุดบูดเราจินไปกี่พิภพกี่ชาติก็ไม่หมดรัฐบาลมองอะไรที่เราสวด สวดดูซิเราสวดตามวันนะโลกนี้บกค่องอยู่เป็นนิสเป็นทาตของความอยากไม่รู้จักอิม่มโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นของของตนย่อมระทิ้งนหะนจิงนักพวงไปใช่ไหมไปตายเราไปไหนขาส่งแค่เชิงตะกอนเอาเงินใส่บาทสิบบาท5้าบาทมันก็ยังไปเขียเอเาขึ้นมา บางคนเอาเงินใส่ปากให้พ่อให้แม่เอาเงินใส่มือก็มาจับจับไม่เอาอะไรเลยพอเกิดมามาเอาทั้งเอาทั้งนั้นกำมือใช่ไหมเวลาเด็กน้อยเกิดอ่ะกำมือเลยแม่บอยังกำเยอะพอตายไปและเบมือเลยไม่เอาอะไรแล้วฉันไม่เมล่ะต้องเอามือเอาผ้ามัดมือไว้เอาเงินใส่นี้ดอกไม้ให้คู่หนังเตียนทั้งคู่หนัง น้องเนี่ยยน่าสงสอ <c oughs> เอาเงินสบาทบากให้เอาไปเผาแล้วมาเกลี่ยเอาูเงินใชบาทอเมีเนี่ยชิปบะเกลี่ยไปเที่ยวนขึ้นบิดได้อะไรไม่เครเป็นของของตนย่อบรร ท, ทิ้งมาถึงทั้งผองไปเหมือนกับจินซ่างมันหมดเป็นนัเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของอย่ามาอ้าง กูมีอันนั่นกูมี น, นี่ไม่ใช่แล้วเจอจินไปไปมันก็ช่วงสวบกลิ่นอิบน้อยกาหลงสางตัวหลวงมาตองห่วงช่วงสวบกิน่นนมอีมน้อยสิตายจ่อยกลางทะเลแต่มันก็ไปเรื่อยนะช่างใช่ไหมมันไหลไปตามน้าเห็นไหมแม่น้ํำคงคานะบางทีกาแลงต้องจับศพ จับซากศพที่ลอยตามแม่คงขากินไปในานา้ำอยอันนี้ก็เหมือนกันนะมันก็ไหลไปไหลไปเลยไ ป, ยไ ป, ยไปก็ไปถึงกลางทะเลซากช้างมันก็หมดเป็นมันก็จมลงน้ำก็อาจจะ บ, บินขึ้นฟังไม่รู้ฟังอยู่ทางไหนไปไม่ได้เลยบินวนไปวนมาไม่เห็นฝังไหยตกตายกลางทะเลเลย ชีวิตคนเราก็เหมือนกันอย่าโอรับสมบัติบาอ้างเนี่ยชีวิตเราอายเถิดพ่ออย่าลั่งรอพายรีบถอรีบพายอย่าวางไม่พายตะวันจะสายตะละจะวายสายบัวจะเน่าได้ยินไหมหลวงตาบอกนะปู่สอนหลานปู่สอนหลานเรียกลูกก็เรียกว่าพ่อเรียกหลาญก็เรียกว่าพ่อ เรียกเดืนก็เรียกว่าพ่อลูกสาวก็เรียกว่าพ่อขอว่หลานก็มาเรียกอี น, นั่นอีนี่นะ พ, นนพ่อนั่นพ่อนี่แม่นั่นแม่นี่ยแท่ถ้าอย่าประมาทเนี่ยมันก็ไหลไปแล้วเราอะไรเล่าที่เป็นสาระเจนสารเราฝากเอาชีป ห, ห้อยไปเขียนไว้กับจิงได้ไปเขียนไว้กับลูกกับหลานไม่เขียนกับทรัพสมบัติไปเขียนไว้กับความรักความชัง คมลักเอาไปแขวนไว้กับคนอื่นจนคนอื่นทําให้ใจเดกโหวใจดโดะเพราะเอาใจไปห้อยกับคนอื่นไว้ไม่เป็นตัวของตัวมันไม่จริงจังอะไรแม้แต่ในเรานี้มันก็ไม่จริงอนนี้จังทุกข์ของอรตตาไม่เป็นอย่างนี้เห็นซะเห็นความมาเที่ยงของทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตน ฉันโขลยมอเที่ยงของอะไรต่างๆของโกรธโลภหลงไม่ใช่ตัวใช่ตนในสภาพความเป็นเที่ยงสามัญลักษณะผมโรคอยู่เวลานี่อะไรก็ไม่เที่ยงต้องหมดห้เห็นทำอย่างนี้เห็นตายเห็นใเห็นลายเห็นรูปเห็นเวตาลูปเห็นน้ำตามความเป็นจริงนะ